ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا لمن و به نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากล l l a h ได้โปรด ประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาซับซียรในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้นะครับอยู่ในซุร่าอันอิสราบางคนเรียกว่าซุร่าอิสราอลแล้วแต่อย่างที่เคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยมันทีเรียกได้สองสมชื่อนะครับ อายาที่เจ็ดสิบถึงอายาที่เจ็ดสิบสี่กี่อายาสี่ไม่ใช่ห้าอายาเนะ่ย้องนับเกับ1ิดด้วยเจ็ดสิบเจ4ดสิบเอ็ดจดสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ห้าอายานะครับนะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับแบ่งเป็นสามประเด็นนะครับ หนึ่งก็คือสิ่งที่อัลลอ์ความโปรดปรานที่อัลลอ์ประทานใ้กับมนุษย์นะครับประเด็นที่สองคือสภาพหนึ่งในวากี亚马แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นพยายามที่จะโน้มน้าวท่านในบีเวลวาอ่านัลกุรอานเนี่ยนะครับวิธีการนำเสนอเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ย จะไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านปกติถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเนื้อมันจะเป็นบทชัดเจนบทสมมุติหนังสือเกี่ยวกับภรุงมิศาสตร์กรุงเทพหนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครบทที่หนึ่งที่ตั้งพอเราพูดถึงที่ตั้งก็จะที่ตั้งอย่างเดียวเลยประเด็นอื่นไม่ไปแตะบทที่สองประชากรก็จะพูดถึงผู้คนเนื้อออกไหมที่ตั้งไม่ต้องพูดแล้วพรพูดไปแล้ว บทที่สามอาชีพแบ่งเป็นบทเนื้อหาพระท่นานจะชัดเจนแต่อันตุรอ่านเนี่ยไม่ได้นําเสนอแบบนั้นอย่างนั้นไม่ได้แบ่งว่าบทที่หนึ่งซุลรออันเตาหิบเอาเตาหิบอย่างเดียวเลยจากความเชื่ออย่างเดียวบทที่สองซุลราออาดัมเราดีอาดัมอย่างเดียวไม่แตะคนอื่นเลยไล่มาบทที่สามอะไรล่ะซุลรออันกุรอ่ า, อานก็พูดถึงคำพี่อย่างเดียว ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยย้ายไปย้ายมาบางคนบอกกุรอานนําเสนอแบบนี้เหมือนกับมั่วไม่มีห ล, ลักเกณฑ์แต่บางคนมองว่าเป็นข้อดีของอัลกุรอานเพราะว่าย้อนให้ผู้คนเนี่ยราลึกด้วยกับเนื้อหาแง่คิดและก็ตัวอย่างที่แตกต่างกันนะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง ทำการอ่น า, านาานบาลกุรอานหรือว่าทำการตัฟซีดเนี่ยต้องเชื่อมโยงประเด็นตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการที่จะคุ้นเคยกับพูดเรื่องไหนเรื่องนั้นนะพูดให้จบก่อนทีละเรื่องอย่าพูดเยอะนะครับเราเคยทิ้แบบนี้นะครับ อ, อ้าวอุติมเฉยตอนนี่เราฟังในอายะที่เจ็ดสิบเนี่ยอลัลลอตรัสว่าวูบลกอด กร็รมนาบันีอาดัมแน่แท้เน้นความหมายนะครับเราเนี่ยหมายถึงใครครับหมายถึงอัลลอฮ์สุฮาห์นุบอัลลาล์นะกร็รมนาเราได้ให้เกียรติบันีอาดัมแก่ลูกหลานของอาดัมอะลีลลมใครคือลูกหลานของนบีอาดัม ก็คือมนุษยชาติทั้งหมดจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอลัลลอ์ให้เกียรติกับอะไรเอ่ยครับลูกหลานของนบีอาดัมพูดง่ายๆก็คือให้เกียรติกับมนุษยชาติเดี๋ยวมาดูละละเอียดที่หลังนะครับอุฮามันนาฮุมและเราเนี่ยได้แบกเขาบรรทุกพวกเขาทินบริวันบารี ไปทั้งทางบกและทางทะเลหมายความว่าให้มนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางไปได้หมดทั้งบนพื้นดินและในทะเลมนุษย์ทำได้นะสัตว์อื่นทำแบบนี้ไม่ได้วารสารนาหุ้มมีนกปอยีบาสและเราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขามีนกปอยีบาสใครชื่อปอยีบาสแปลว่าดี นะผู้หญิงบาคนชื่อต่อยีบาอัลลอฮ์เนี่ยจะให้ปัจจัยอันชีพแก่พวกเขาแก่มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีนัตต่อยีบาจากสิ่งดีๆทั้งหลายวอฟด้นนาหุมและเราได้ทำไมเอ่ยครับยกเขาเรียกว่าให้ความโปรดปรานอลากาซีริมมิมมันคลลักนาตักดีลา เหนือกว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอย่างมากมายในโลกนี้นะมีคอล์ลิกก็คืออัลลอฮ์ที่เหลือเป็นเป็นมัคคลูในบรรดามัคคุลูทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทำไมเอ่ยครับผูออัลลอฮ์ย่มขึ้นให้มีความประเสริฐมากกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆนะถ้าเราจะบอกว่าเราประเสริฐกว่าก้อนหินจริงไหม อ้าวจริงโดยภาพรวมนะแต่ว่าถ้ามนุษย์ทําไมเอ่ยหันหลังให้กับพระผู้เป็นเจ้าเนรคุณกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพอถึงวันเยามากอลรยาเลตีกุลตุรบาอัลลอฮ์อยากจะกลับไปเป็นหินเป็นดินเหลือเกินเพราะว่าไม่ต้องถูกสอบสวนถ้าเป็นคนแล้วดีไม่ได้เนี่ยโดยพื้นฐานอัลลอฮ์ยกให้ประเสริฐกว่าสิ่งถูกสร้างขื้นแต่เมื่อท้ายศต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ย พอถึงว่าเกียร์มาไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วอยากกลับมาเป็นก้อนหินมาเป็นฝุ่นดินดีกว่ามาดูเนื้อหากันอยายะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับเ อ, อสําคัญมากในปัจจุบันนะต้องเข้าใจว่าเวลาที่โลกเปลี่ยนไปสถานการเปลี่ยนไปเนี่ยแง่มุมในการมองก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนที่ถ้าเทียบกับเนื้อหาที่เรานําเสนอในโลกอิสลามเนี่ยนะครับ ถ้าในช่วงที่ประมาณห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วเนี่ยร้อยปีที่แล้วตกอยู่ในคำเรียกว่าถูกล่าอนาธิปมประเทศมุสลิมเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอำนาจเยอะมากอังกฤษฝรั่งเศสแถบนี้เนี่ยนะครับเอาอังกฤษจิดมาเลเซียเพื่อจะพึ่งจม น, นีกาห้าสิบกว่าปีหกสิบปีนึกออกไหอินโดนีเซีย ถูฮอลแลนด์ประเทศมุสลิมในอฟริกาเนี่ยทำไมเอ่ยถูกฝรั่งเศสโลกอรับถูกอังกฤษนะครับช่วงนั้นเนี่ยเนื้อหาในการต่อสู้ที่เราหยิมยกขึ้นมานำเสนอซ้ำไปซ้ำมาคือการอีิธาดให้ต่อสู้นึกออกไหมครับนะในปัจจุบันเนี่ยสหการเปลี่ยนไปจริงๆเราไม่ได้ปรับศาสนาตาม น, าน่ะแต่ก็อ่า น, นมีพร้อมอยู่แล้วลหลายลหลายด้านมีทุกอย่าง อยู่ที่ว่าจะยกสิ่งไหนขึ้นมานำเสนอในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราค่อนข้างาที่จะหันหน้าก็หากันมากขึ้นนะอายก็อ่านตรงนี้เหมาะสมที่จะถูกยิมยกขึ้นมาเน้นย้ำก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียดถ้าเรามองหาผู้ที่ไม่ศรัทธาไอ้คนนี้มันต่ำกว่าเรา เพราะเราเป็นผู้ศรัทธาของไม่ศรัทธาเราสูงกว่าเขาเราประเสริฐกว่าเขาถ้ามองแบบนี้นะไม่อยากจะหันหน้าต่าหากันไม่อยากจะร่วมมือกันถ้าเรากลับมาดูอายะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมอะลฮิสนามมีเกียรติหมดเกียรติตรงนี้ไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่มนุษย์พูดแต่เป็นอัลลอฮ์กระมนาบันีอาดัม อลัลลอฮ์ยกเกียรติของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีเกียรติฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นต้องให้เกียรติเขาอย่าเหยียดหยามอย่าดูถูกตราบใดที่เขาเป็นมนุษย์นะอย่าดูถูกเขาเพราะเขามีเกียรติที่อลัลลอฮ์ยกให้ถ้าอาลัลลอ์ให้เกียรติกับมนุษย์และเราเป็นใครที่จะไปลดเกียรติไปดูถูกเขาให้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ แนวะคิดตัวนี้สําคัญมากนะครับเวลาที่มีปัญหาเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุเวลาก็ามองมาที่ฝ่ายที่ถูกกระทําเนี่ยมันต่ํากว่ามนุษย์นึกออกไหมเวลาสมัยก่อนที่จับเป็นทาสเนี่ยนะครับทําไมคนผิวดําต้องถูกทําเป็นทาสละ่ะเวลาสายตาที่คนขาวมองมาเนี่ยมันต่ํากว่าเป็นคนไม่เป็นคนแต่ว่าไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อไม่เท่ากันแล้วล้านหลางกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะ จับมาทํางานเป็นทาสเป็นนุ่นเป็นนี้เต็มไปหมดเวลาที่มีการฆ่าล้างผ่าพันธุ์นะครับจะเป็นสมัยฮิเลอร์จะเป็นโนฮิยาก็ดีเนี่ยนะครับถือว่าเวลาเขามองมาแล้วเนี่ยต่ํากว่าเขาเป็นคนไม่เป็นคนไม่ใช่สัตว์เป็นคนดีแหละแต่ว่าต่ำกว่าไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาที่ไม่ให้เกียรติคนแล้วเนี่ยมันนําไปสู่ประเด็นอื่น มีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้ไหมมีสิทธิ์ได้มีสิทธิท์ที่จะไล่ได้ไหมไล่ได้เพราะทําไมล่ะเพราะเขาไม่เคยมีเกียรติในสายตาเราในความคิดตัวนี้อันตศายถ้ากลับมาดูในอญญายะฮ์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้นานแล้วครับว่าพระองค์เนี่ยให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมจะศรัทธาไม่ศรัทธากันแล้วแต่การงานที่เราทําในดุรยาถึงวการี亚马อัลลอฮ์ตัดสินแต่โดยพื้นฐานแล้ว ลูกหลานของบั น, นีอาดัมมีเกียรติเวลาที่มีประเด็นในสังคมมุสลิมไทยเนี่ยนะครับอา้าวมีการถกเถียงอันนี้เราพอขาวนะเช่นอตอนที่ท่านดับีทำไมเอย่ยเคยยืนให้เกียรติกับยานาซาของอาลุนตีตาบเป็นฮัดิสก็มีประเด็นถกเถียงบางคนบอกที่ยืนเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติคนให้เกียรติกับเหมือนกินมูตที่ดึงวิญญาณไปถกเถียงกัน ไม่ว่าจะถกเถียงไงกันแล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือนบียืนเพื่อให้เกียนจะให้เขียนกับสมจให้เกียรนกับคนให้เกียนกับมลิกินมูตอะไรกันแล้วแต่หลักฐานอัดีสนี้คือนบียืนให้กับสมที่เสียชีวิตจะเพื่ออะไรกันแล้วแต่นบีให้เกียรนเมื่อมายัดเดินผ่านนะนะครับเห็นได้ว่ามันมีการเนี่ยถกเถียงแบบเนี้ในประเด็น ก็นี่ถ้ากลับมาดูอาย่านี้เนี่ยนะครับการที่เราใช้เกียรติกับมนุษย์นั้นผิดไหมไม่ผิดผมไม่ค่อยห่วงนะครับผู้ศรัทธาได้กันแต่ห่วงผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธานี่เลยถ้าไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยลําบากนะครับไม่ได้ว่าเราจะกลัวจะห่วงจุนยาแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือกันนะลักษณะสถาสนาการณ์ในโลกมันเกียรติไปแล้ว เราเปลี่ยนศาสนาตามัไม่ได้เปลี่ยนอายะกราดตรงนี้มีกล่าวไว้นานแล้วในอายะห์นี้นะ่ยมีห้าเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์หนึ่งก็คือตักรีนอัลลอฮ์ให้เกียรติไม่ธรรมดานะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติเนี่ยนนะสองให้มนุษย์สามารถฮำแัด น, นาหุมฟินบา้าเฮเดินทางไปในแผ่นดินได้บางคนบอกมันจะแปลกเลยที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะ ปอยวัวป่อยแพะมันก็นเดินไปกินหญ้าแปลกตรงไหนอาจารย์ไม่เหมือนกันนะเราสามารถเดินทางไปอีกมุมหนึ่งของโลกได้ด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าวัวที่ปล่อยกินหญ้าที่บ้านเนี่ยปล่อยไปสามปีเนี่ยนะครับไม่ถึงเชียงใหม่หรอกเดินวนเดินหลงเ ด, ลเดินนู่นเดินนี่การที่เราจะเดินทางไปที่อื่นได้เนี่ยไม่ใช่แค่ความสามารถในการเดินอย่างเดียว การกำหนดทิศทางการใช้พาหนะขีมาาขีจะขีมาาขี่ลาขีรถขีเครื่องบินเนี่ยนะครับเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยสัตว์อื่นไม่มีนะนอกจากเราจะเอาหมาก็คือบินเอาหมาถึงจะไปได้แต่ถ้าปล่อยให้สัตว์ทั่วไปไปไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าอะไรคือหลักฐานที่บอกว่าสัตว์ไปไม่ได้ทุกภูมิภาคของโลกเนี่งทำไมเอ่ยมันจะมีสัตว ประเภทเฉพาะสัตว์บานชนิดอยู่เฉพาะป่าในประเทศไทยไม่ไปโพลที่อื่นนอกจากเรานําเข้ามามีโคอาล่าเนี่ยนะครับเราถ้าได้เห็นได้เนี่ยก็คือนําเข้ามาแต่ว่าอยู่ในป่าในประเทศไทยไม่มีทําไมสัตว์ถึงไม่เป็นอย่างนี้ละ่ะเพราะมันไม่สามารถได้รับเกียรจากอัลลอฮ์ข้าม น, นาฟซึนบารีอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้มันไปได้ทั้งโลกนกอาจจะ บินได้ไกลหน่อยแต่ก็มีเส้นทางที่แน่นอนแต่ถ้ามาดูมนุษย์นะคนจีนอยู่ที่ไทยคนไทยอยู่ที่เมกาคนยุโรปไปอยู่อเมริกาคนอฟริกามาเตะบอลนัก บ, บอลผิวดำๆที่ประเทศไทยอยู่กลางข่าเรืออยู่บางกอกอยู่ในเต็น ม, มนุษย์ปนกันไปหมดเพราะว่าได้เนี้ยมัดที่อเลอร์ให้ก็คือใช่ไหมเอยหามันนาะุมฟินบารีเดินทางไปได้ทั่วหนหน้าแผ่นดิน นี่เป็นเนื้อมาที่อลัลลอฮ์ให้นะครับยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวจะมาดูว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงนอกจากนั้นบั้นบ่ายความสามารถในการเดินทางสัญจรเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์บกถ้าเดินทางบนบกได้ก็ไม่เคยแปกใจแต่มนุษย์เดินทางไปในท้องทะเลได้ด้วยตรงนี้น่าสนใจเกาะบาเกาะ อ, อยู่ห่างมากมาดากัสการ์ที่เขาไปถ่ายสักดีกันยมีสัตว์ปแปลกอยู่นู่น พื้นที่อว่างฟังกับก่อนมันไกลมากแต่มนุษย์เนี่ยเดินทางข้ามทะเลไปถึงได้ฉะนั้นสัตว์บางสัตว์เนี่ยเวลายแยกอยู่ในเกาะเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเฉพาะเพราะว่ามันไปที่อื่นไม่ได้ทะเลมันกัน้นนะแต่มนุษย์ไปถึงเดินทางข้ามทะเลเดินทางรอบโลกได้นี่คือสิ่งที่อโลฮให้กับมนุษย์สัตว์อื่นทําได้ไหมทําไม่ได้นกที่บินได้เนี่ยเส้นทางจะมากำหนด วันนี้อยากไปภูเก็ตอีวั น, นอยากไปสมุยไม่ได้นะเส้นทางมันเป็นตามฤดูกาลของมันและต้องไปกับผูงเวันเราพายุพีนี่ยเวลานกมันบินเป็นฝูงนะไม่เราบินเป็นผูงแล้วมันเขาเรียกไงเวลาบินเป็นผูงแล้วเนี่ยมันช่วยลดแรงปฏิทักษอากาศไป ไ, ไกลต้องๆเป็นฝูงแต่มนุษย์พิเศษกว่านั้นกําหนดเส้นทางเองได้แล้วก็ไปไดไกลกว่าโดยไม่ต้องดูฤดูกาลนะครับ 3ามอย่างอันหนึ่งเอาล้อให้เกียรติสองให้ความสามารถในการสัญจรบนหน้าแผ่นดินสามให้ความสามารถในการเดินทางข้ามท้องทะเลสิส่งมัคคุรอื่นสัตว์อื่นมีไมมไม่มีต่อมาประการที่สี่ครับว่าข้รักกนาหุ้มมีนกคอยีบัสให้ปัจจั ย, ยังชีพที่ดีกับมนุษย์อะไรคือปัจจั ย, ยังชีพดีเวลาพูดถึงปัจใจ ย, ยังชีพเนี่ย ไม่ได้แปลว่าของกินอาหารเครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรกันแล้วแต่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ถือว่าเป็นทรุสกีหมดมาดูอาหารแกันนะอาหารที่มนุษย์กินเนี่ยกับอาหารที่สัตว์กินต่างกันยังไงประเด็นที่หนึ่งมีประเด็นเรื่องความสุขสัตว์อื่นจะกินกันอย่างงั้นแหละนะครับจะเอามาปิ่งมายาง มาทอดแบบมนุษย์มีไหมไมีมีมนุษย์ทําให้สุกก่อนการกินอาหารจะมีลักษณะที่สง่างามกว่านะครับยกขึ้นมาแล้วก็กินไม่ตะกุมหัวลงไปหาอาหารตั้งกับพื้นนึกออกไหมนะครับของกินก็สูงกว่าชนิดในการกินก็หลากหลายกว่าถ้าพี่น้องดูเนี่ยนะครับสัตว์จะมีอะไรที่ลักษณะกินเฉพาะประมันหัวแพกกินยาก อาจจะกินอะไรอืนได้แต่ประเภทจะกินมีจํากัดนะครับแมวกินอะไรบ้างกินปลาเค็มเอกินปลาทูกินข้าวได้กินได้หลายอย่างแต่ว่ามีจํากัดแมวกินกาแฟไม่เคยเจอเนออะไหมแต่มนุษย์เนี่ยสามารถเอาต่อยีบ้าที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทําอาหารกินได้เยอะนานเรากินกู้กินข้าวกินสัตว์กินพืชแล้วก็มีพืชต่างๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยกินเนี่ยนะครับ เรามีอะโวคาโดแต่ก่อนก็าไม่เคยกินตอนนี้มันมีในซูเปอร์มาร์เก็ตพอมากินดูเอา้าก็กินได้นึกออกไหมในขณะที่สัตว์กินเฉพาะอาหารที่คุ้นเคยแต่มนุษย์เนี่ยต่อยีบ้านสิ่งดีงามที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับมนุษย์เอามากินได้ต่อเป็นต่อยีบ้านนะไม่ได้เป็นพวกทรายหินไม่ใช่ตอยีบ้านคือของที่กินได้มาดูประเภทอื่นอี่างเช่นเครื่องนุ่งห่มนะครับสัตว์ยังไม่มี นอกจากเราจับสัตว์มาใส่เสื้อแต่โดยพื้นฐานแล้วทําไมเอ่ยมนุษย์นั้นใช้ประโยชน์จากตอยีม้าคือเครื่องนุง่งห่มนอนที่มันกินใบไม้อยู่ไปมามนุษย์รู้วิธีจะทําเป็นไหมเอาไหมออกมามาทำเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็มนุษย์ก็มีความายสัตว์แก้ผ้าไม่อายแต่มนุษย์มนุษย์อาย ความอายตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนาบีอาดัมอิสระกับพระนางฮาวาอันก็อ่านแล้วอ่ะฟารัมมาดากชยรตะเมื่อทั้งสองเนี่ยทำไมเอย่ยกินผลไม้กินต้นไม้ตรงนั้นแล้วทำไมเอย่ยบดัดลาหูมาซาอาทุหูมาเอาาะเอาอยาวะคุณสงบก็้ถูกเปิดเผยขึ้นมาวตาฟิกอักสีฟานีอ่อะไรที่มามินบรากินจันนะ พอเปิดเผยขึ้นมาแล้วโป้ป่วยแล้วก็เกิดความอายครับยักษีฟาเนี่อะไรอีมามินวรกินจันนะก็เอาใบม้าที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยมาปกปิดร่างกายของมนุษย์ฉะนั้นการใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะครับเป็นของที่อยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์นี่คือสิ่งที่ทํามนุษย์แตกต่างจากสัตว์นบีอันนังบัดนังฮาวานเนี่ยพอโป้ปุ๊บความอายเกิดขึ้นเลยเอาใบม้ามาปกปิดทั้งทั้ที่ ในโลกนั้นสมัยก่อนเนี่ยมีสองคนครับสามีภรรยาสามีภรรยาที่เห็นเอาเอรรรท์เนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกันหรือเปล่าไหแต่ว่าก็มีความอายปกปิดนะครับนี่คือมนุษย์ฉะนั้นต่อยีบ้านสิ่งดีๆต่างๆในโลกเนี่ยนะครับอลระท์ให้นื้อมัดกับมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะกันส ม, มุติตอนนี้มีประเด็นเช่นกัญชากับกัญชงรู้จะว่ามันมีกัญชา ม, มีกัญชงด้วยนะ กันช้าตอนนี้ก็ทำยาทำอาหารกันกันชงเนี่ยสามารถนำมาทำเครื่องนุ่งห่มกันได้นะครับเป็นเส้นใยที่ใสและสบายทำเสื้อผ้าทำรองเท้าถามว่าสัตว์ไปเ็นอื่นมาทำแบบนี้ได้ไหมทำไม่ได้เลยมนุษย์เสียนะประการที่ห้าครับอวบฟอต์นาหุมอะลรกร็ซีรีมินมันขอรลักนาตักดีล่นอจะให้ตัฟรีมให้เกลี่ยแล้วให้ตักดี ให้เกียรติให้เกียรติในร่างกายของมนุษย์โดยพื้นฐานนะครับให้ใบคาสุญญุตต่อตอนบีอาดัมเหน็นไหมร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความค่อนข้างที่จะสมดุลเรายืนได้โดยไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องใช้มือยันเนี่ยนะครับทําให้มือมีว่างแล้วก็ประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ทำโน้นทำนี้เต็มไปหมดนะครับถ้าพี่น้องดูมือเนี่ยนิ้วโป้งนี่ไม่ธรรมดานะถ้าถ้านิ้วโป้งนี่มันเป็นแนวเดียวกับไอ สี่นิ้วเนี่ยการหยิบจับจะลําบากนะครับผมจับเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้มันจับได้แต่ถ้านิ้วโป้งไม่บอกแ่่มันเป็นแนวเดียวกับสี่นิ้วเนี่ยเวลาจับก็ต้องจับแบบจับยังไงล่ะจับรบบดิ้งนึกออกไหมเนี่ยแล้วก็กินแต่พอนิ้วโป้งมาอยู่ในองศาที่เป็นแบบนี้ปุ๊บอ่าขีบได้จีบจะเรียกอะไรครับแต่แต่ว่าเห็นว่านี่คือนี่คือตักครีมการออกแบบที่เอาละให้กับมนุษย์เนี่ยแค่มืออย่างเดียวเนี่ยโอ้โห เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ส่งผลเยอะมากพอเป็นแบบนี้ผมเขียนได้พอเขียนได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดภาษาได้แต่ถ้าเป็นเป็นแนวเดียวจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมเวลาเขียนก็อ่าภาษาตัวอักษรมันก็จะใหญ่กระดาษตัวนึกออกมามส่งผลต่ อ, อวิวัฒนาการของอรารยธรรมมนุษย์ไปเลยแค่มือแค่นิ้วโป้งเนี่ยมันมันเป็นแค่เนี้ยเนี่ยเอาอย่างเงี้ยนึกตัวอย่างเนี้ยนะครับเวลาหยิบนิ้วโป้งตันิ้วโปง้งฮะนิ้วโป้งจะมา แล้กวก็ต้องยกตัวอย่างเห็นชัดเวลาจับจับช็อตก็ต้องจับแบบนี้จับแก้วต้องแบบนี้จับปากกานึกออกไหมขับรถจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอะไรที่ต้องการความปานีดเช่นหมอฟันอย่างเงี้ยเราไปหาหมอฟันแล้ว ห, หมอฟันมีนิ้วแบบนี้นึกออกไหมครับจับเครื่องมือแพทย์มันก็เหมือนกับแพงเ้ามาในโผล่มันคือชีวิตเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแค่แค่แค่นิ้วมือนิ้วโป้งอย่างเดียวเนี่ยนะครับ ฉะนั้นนี่คือตั๊กรีมให้มนุษย์มีลักษณะพิเศษต่างกับสัตว์อื่นนอกจากนั้นยังมีตัฟดีลให้ความก็เรียกว่าความประเสริฐในด้านอื่นๆด้วยให้ภาษาให้ภาษาเออสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยมานั่งฟังตัฟซีดแบบนี้ไม่ได้นะภาษาสัตว์เนี่ยมีพึ่งก็มีภาษาของมันแต่การสื่อสารไม่สามารถสื่อสารได้ ระยะยาวแล้วก็มีความละเอียดอ่อนได้ซับซีที่ผมเามาเนี่ยของอินุอาชุดประมาณหนึ่งร้อยปีอินุอาชุดออกจากอิกนโุกะซีย้ยอนไปองความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นพันปีเนี่ยด้า น, น, นอื่นๆเนี่ยมันมาถึงปัจจุบันได้ยังไงด้วยกับภาษาจะเป็นภาษาผู้ภาษ า, าเขียนสัตว์อื่นทําไม่ได้ประโยชน์คืออะไรครับบางคนบอกได้ภาษาก็แค่พูดกันรู้เรื่องไม่ใช่นะเพราได้ภาษาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องย้อนกลับไปทําอย่างอื่น คือคนรุ่นผมเกิดมาเนี่ยมีกระดาษเลยก็พัฒนากระดาษต่อแต่ถ้าความรู้ด้านกระดาษมันส่งมาไม่ถึงผมผมก็ต้องคิดค้นทากระดาษอีกลูกลูกหลานผมก็ต้องคิดค้นทากระดาษ ห, หรือเปลามันก็ต้องซ้ําไปซ้ํามาแต่มนุษย์จะไม่ซ้ําเกิดการพัฒนาได้เพราะความรู้ในอดีตทําไมเลยมันถูกส่งส่งต่อผ่านภาษาจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนกันแล้วแต่ตัดนี้ยังตัดรีนแล้วแค่นี้ก็นเหนือวภาตษ์อื่นแล้ว ยังไม่พูดถึสติปัญญาอะไรอีกนะเต็มไปหมดห้าอายะนี้เนี่ยนะครับเพียงพอแล้วที่จะบอกว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้อะไรกับจากพระผู้เป็นจเจ้าอัลลอฮ์เยอะหรือเกินถ้าได้เยอะอย่างนี้ทํำยังไงครับต้องกระตันยูอย่านี้คะคุณนึกออกไหมได้สิ่งเหล่านี้จากพระผู้เป็นเจ้าเต็มไปหมดฉะนั้นต้องต้องกระตันยู กตัญญูเนี่ยมาถึงการขอบคุณการอิบาดะเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าอย่าเนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับอ้าวกลับมาดูอายะต่อมาครับอายะที่เจ็ดสิบเอ็ดครับอัลลตรัสว่ายาวมณฑ า, า, าอูกุลละอุนาสินบิอิมานิฮิมนะในวันที่เรานั้นได้ร้องเรียกนะครับ มนุษย์ทุกกลุ่มวีอีมามีหิ่มด้วยกับอีมัมของพวกเขาด้วยกับผู้นำของพวกเขาในภาษาไทยเนี่ยมันเขียนว่าด้วยกับบันทึกเนี่ยแก้ครับว่าบันทึกเป็นผู้นำนะครับภาษาไทยก็ก็แปลผิผมก็ก๊อกมานะครับหนาไม่ได้กินเองคนหน้ากลอกมาอันไหนเจอก็จะบอกเช่นเราเนี่ยเวลาถูกเรียกในวากิยามานี่ยอะยาอุม ม, ะตะมัตอัมุฮัมมัดโ อ, ออุมมัต โอ้ประชาชาติของมุฮัมมัดอุมมะอื่นยาอุห ม, มะตมูซาโอ้อุห ม, มะของมูซาอ้าวพวกอดีตชาวอินก็ไปหานาบีมูซาอยาอุมมะอีซาพวกคาวาริยูนก็ไปหาท่านาบีอีซาอลิศลาเนี่ยอกั้มเราเนี่ยถูกเรียกด้วยกับยาอุมมะต ม, มูฮัมหมัดโอ้อุหมะของมุฮัมมัดตามนาบีมุฮัมมัดไปเรากับ น, านาบีมุฮัมมัดเกิดไม่ทันแต่วัาในวันยามาพอไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ย มันมีรัศมีที่เป็นหลักฐานว่านี่แหละคืออุ ม, มาของมุฮัมหมัดเช่นการอาบน้อนละหมาดการทําตามสุนนะท่านนบีนบีบอกว่าฉันไม่รู้จักแกหน้าไม่คุ้นแต่พอเห็นรัศมีแล้วเนี่ยนี่คืออุ ม, มาของฉันและฉันจะทําการชฟาอาจะช่วยเหลือให้แต่ถ้าไปถึงวันกิยามาแล้วเนี่ยยาอุ ม, มาฟะรา่าอโอประชาชาติฟะรา่าอ อ๋อเราไปด้วยเนี่ยจบเลยครับอีหมามเของอุ ม, มานั้นมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไปด้วยเราไปกันใหญ่ยาอุมมาตนนัมรูดโอ้ประชาชาติของนัมรูดกอรูนฮามันตัวที่ไม่ดีในตัวพิสตร์เนี่ยถ้าเราอยู่ในสังกัดนั่นนะแย่เลยครับผู้นําก็ช่วยตัวเองไม่ได้ชพราะาคไม่มีนะครับเราก็หลงตามไปด้วยในวันกียร์มาคนจะถูกเรียกด้วยกับชื่อของผู้นําอุ ม, มา ก็คือท่านนบีนะนี่คือสภาพมุกียามะประเภทที่หนึ่งนะครับเราเป็นอุมมะนบีมูฮัมหมัดเวลาเราพูดถึงว่าฉันนี่แหละเป็นชาวซุนน่าเป็นอุล ม, มาะเป็นประชาชาตินบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันไม่ใช่คากล่าวในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะพี่น้องมันส่งผลไปถึงวันกียามะด้วยฉันเป็นชาวซุนน่าเป็นอุลมาะนบีมูาาฮัมมัดแต่ไปถึงวันกียามะยาอุมมาตะมูฮัมหมัด เราจะเดินไปปรากฏว่าเข้าพวกไม่ได้ทำไมล่ะไม่มีสุนทานในชีวิตคุณเลยคุณจะมาอยู่อุมะนาบีมุฮัมมัดได้ไงล่ะสุนทานอุมนาบีมุฮัมมัดไม่เคยถูกปฏิบัติในชีวิตคุณเลยถูกกันเอาอจากกลุ่มเนื้อออกไหมอย่าให้เป็นแบบนั้นนอกจากถูกเรียกโดยกับกลุ่มต่างๆตามชื่อผู้นาแล้วเนี่ยนะครับนาอมุมานูติยะกีตาบาฮูบิยามีนีคนที่ถูกยื่นบัญชี กีตาบหนังสือเนี่ยด้วยกับมือขวาเฟ้าอุลากะยักษะอุนกิตาบาหุมเวลาได้คำพีมาจากมือขวานาะรับมือขวาเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นก็ยักษะฮอุนกีตาบาหุมอ่านบันทึกของพวกเขาเวลายุสลามูนัสตีลาพออ่านแล้วทราบเลยครับว่าบันทึกที่บันทึกอยู่เนี่ยไม่ถูกอธรรมแม้กระทัน่นนิดเดียวฟัดีลาแปลว่าเส้น เส้นได้เส้นขนเสื้อผ้าในเวลามันมีขุยเนี่ยเล็กนิดเดียวแค่นั้นกน็ถูกบันทึกก็คือไม่ถูกอธรรมไม่ถูกลบไม่ถูกเปลี่ยนคนที่นะครับบัญชีทางมือขวาคือคนดีครับในวันกิยามาเนี่ยยังไม่ทั้งสอบสวนเราจะทราบเลยว่าเราจะอยู่ตรงไหนเช่นเราอยู่มงกุฎ ม, มาไหนสภาพที่ถูกฟื้นคืนชีพเนี่ยนะครับเงื่อออกความทรมารที่ได้อยู่แค่ไหน อยู่ใต้ร่มเงาของอรหิยามัตไม่ได้คำพีมือขวามือซ้ายยังไม่ถึงการตัดสินเลยแต่มนุษย์จะทราบสภาพตัวเองแล้วแค่ได้คำพีมือขวายังไม่เปิดยิ้มแล้วครับพอทราบดีคือบันทึกของคนดีของชาวสวรรค์ น, นะพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยละเอียดเหลือเกินความดีนี่นฉันทำฉันลืมไปแล้วผมถามพี่น้องบริจาคครั้งแรก เมื่อจาก ใ, ใครๆจำไม่ได้โอ้โหอาจารย์ถามฉันฉันแปดสิบแล้วใครจะจำได้แต่พอเปิดบันทชีตรงนั้นแล้วเนี่ยให้ไปห้าบาทแต่ว่าถูกบันทึกไม่บอกไมปฏตีลาสิ่งที่เล็กมากเนี่ยก็ถูกบันทึกไม่ลืมเจ้าของลืมไปแล้วแต่การบันทึกขอล้อการตอบแทนขอล้อครบถ้วนละเอียด น, นะครับฉะนั้นนี่คือสภาพหนึ่งของวันกียรนะ นะตรงอังค้ามันต้องคุยนะยื่นมือซ้ายรับกัะชีไม่ทันไม่ทันเปิดเห็นแค่ปกโดนแล้วโดนแล้วนะครับสภาพของวังเยียมามาดูในอายะที่เจ็ดสิบสองครับอลลอฮตรัสไว้ว่ า, ว, าว่ามันกานาฟีฮาดฮีอะมาใครที่อยู่ในนี้ในนี้คือในโลกจุลญาณเนี่ยนะครับอะมาในสภาพที่มืดบอด มืดบอดไม่ได้แปลว่าตาบอดทางกายภาพนะมืดบอดจากทานนำํำฟาหัวฟินอาค์เราะอะมาเขานั่นแหละถ้าในโลกนี้มืดบอดนะครับฟินอาค์กิรอตี้ในวันอาค์เิรอก็อะมาบอดเหมือนกันวะดอลูซาบีลาและก็หลงมากกว่าอดอลูคือหลงในดุนยาดอลาละ หลงทางในวันอาคิระเอบด้อ ล, ลูหลงมากกว่าสิอีกยังไงครับนี่คือสภาพของผู้ที่อยู่ในวันเกียรมาคนที่อยู่ในดุญญนยาเดี่ยวน้องอ่ะมาในที่นี้นะครับไม่ได้ว่าคนตาบอดนานะคนพิการไม่เกี่ยวทุคุณภาพไม่เกี่ยวคือบอดจากทางนากินเหล้าหัดกินน่แจะอายุสิบห้านะฮะเป็นเด็กนักเรียน พอ20น่อยก็กินต่อเรื่อยมาเลยพอ25ก็ยังกินเหล้าโดยคันนี้บวกสีนาไปด้วยไปกันใหญ่เลยพอ30ทํางานทําการได้เ อ, อ้าเที่ยวทุกคืนสีนาทุกคืนทําแบบนี้ทําแบบนี้40แล้วพอ40กว่าสภาพเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ก่อนกินได้ยันเช้าไม่แห้งตอนนี้ไม่ไหวแล้วสีนาก็ทำบ่อยๆก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายมันตั้งคําถามกับชีวิตจะเอาอะไรดีเนี่ยทํามาแต่15ยันนีสมมุตินะมัช่ ตแต่ดสิบห้ายนสี่สิบสี่สิบห้าแล้วจะตายอยู่แล้วเพื่อดีเกิดเกิดรุ่นเดียวกันตายไปแล้วนะครับห้าสิบกว่ายังหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอเลยนี่แหละคืออามาทราบแล้ววะทุกคนต้องตายฉันก็นต้องตายแล้วแล้วจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตคนพอเที่ยวถึงสุดๆนะ ส, ๆนะสุดท้ายเหงา แม้กระทั่งวัดเที่ยวสุดๆทำอะไรสุดๆท้ามาตั้งคาถามกับตัวเองที่ทําไปเนี่ยก็ได้อะไรแะชีวิตนี้ฉันจะไปยังไงต่อเล่าที่กินน่าจะเกิดมาถึงปัจจุบันก่อนตายเนี่ยถ้าใส่คือท่วมบ้านได้เลยอ่ะกินเยอะมากความชัว่วดีทําเนี่ยเต็มไม่หมดผู้หญิงที่ไปยุ่งที่ไปสีนาเต็มไม่หมดพอมาถึงวันหนึ่งอายุมากแล้วถ้ายังไม่ตายนะตั้งคําถามที่ทํามาทั้งหมดได้อะไรสภาพตรงนั้นพี่น้องครับ มันคล้ายๆกับอาการซึมเศร้าซึมเศร้านี่มีผลจากฮอร์โมนด้วยแต่บางคนเนี่ยได้รับอิทธิพลเพิ่มจาะกสภาพแวดล้อมจากสิ่งที่ตัเองปฏิบัติด้วยซึมเศร้าหมดเพราะไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยไม่เห็นค่าเลยนะครับฉะนั้นสภาพเนี่ยเหมือนกับหลงทางโลกหน้า ตายแล้วจงไงโลกหน้าก็ไม่ศรัทธาก็ไม่เชื่อแล้วถ้ามันโลกหน้ามันมีจริงแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงจะเกิดใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดเป็นอะไรหรือว่าถ้ามันมีนรกสวรรค์จริงแล้วฉันจะไปอยู่ตรงไหนคิดย้อนคิดห้าสิบหกสิบแล้วฉันเกิดมาทําไมสภาพตัวนั้นหลงทางพี่น้องครับเหมือนกับคนตาบอดหาทางนําไม่เจอพอมองไปแล้วเนี่ยแย่แบบอันไหนดีไหนชั่วอันนี้เข้าว่าดี อันนี้ว่าชั่วฉันก็นทําแต่ว่าไม่เห็นความแตกต่างความหรความชั่วตกลงมีจริงไหมตั้งคําถามให้ตัวเองไปกันใหญ่นะครับหลงในดุนยาเนี่ยหนักนะพี่น้องแต่ว่าวาฟฟินอาร์เคโรตี้นะครับโอวัฟฟ์ั ว, วฟินอารา์เคโรตีและคนเหล่านี้เมื่ออยู่ในวันอาราอ์เคโรอะมาหลงเหมือนกันโอวัดดอนลูซารีลาหลงยิ่งกว่าสภาพที่เกิดพี่น้องครับมึนงงสับสน ตายไปแล้วโผล่ขึ้นมาขึ้นมาเจอในสิ่งที่ไม่เคยศรัทธาไม่เคยเชื่อมากลอดมันจะมีจริงชีวิตหลังความตายมองไปแล้วเนี่ยมนุษย์เต็มไปหมดเลยไม่ใช่เราที่ถูกถูกฟื้นคืนชีพคนอื่นที่ตายไปด้วยถูกฟื้นคืนชีพมดมีเสียงขยรียยาอุ ม, ม่ามูฮัมมัดยาอุ ม, ม่ามูซาผู้คนไปหาบรรดาอิหมัง่งเขาพวกเขามีการชฉาฟะกันฉันลราอยู่กับใครตาไม่ได้บอดแต่สภาพในวันเดียามะาเนี่ย ยิ่งกว่าสภาพในดุยามืดบอดไปหมดจะเดินไปตรงนี้ไม่ใช่คุณไม่เจออุ ม, ม่านาบีมูซาจะเดินไปหานาบีมูฮัมหมัดไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้ศรัทธาจะเดินไปหาใครล่ะนะครับมีบัญชีส่งมาให้ส่งทางมือซ้ายพอได้มาทราบเลยบัญชีนี้ของไม่ดีจะเกิดการทิ่ภากษาจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยแล้วฉันจะเอาความดีอะไร มีแต่ความชั่วท่านเลยฉันไม่ได้ศรัทธาอัลลอฮฺที่จะพิพากษาฉันฉันก็ไม่ศรัทธาว่ามีเจ้าดิฉันเคยศรัทธาทั้งหมดที่เคยกราบไหว้วันนี้ไม่โผล่มาเลยที่เป็นวัตถุเป็นหินเป็นดินเป็นไม้ไม่โผล่มาเลยนึกออกไหมครับมองทางไม่พอเวลาเราเกิดปัญหาในดุนยาเนี่ยเราจะมองทางนึกออกไหมขายขาดทุนเอาไงดีกู้ดีไหมกู้ใครดีไอ้นี้ดอกเบี้ ย, ยต่ำ น, นี่ดอกเบี้ ย, ยสูงยืมตังค์มากดีกว่าไหม มจะมีทางทางแต่ถ้าหาทางไม่ออกคือเหมือนตาบอดมืดไปหมดในวันเกียรมากไม่มีใครช่วยเลยจะช่วยคนนี้คนนี้บอกฉันกันหนักคนนั้นกันหนังทุกคนต่างห่วนบัญชีความดีความชั่วตัวเองถึงขั้นว่าเปือยกายกันหมดไม่มมองเลี้วคนนี้แก้ผ้าคนนั้นแก้ผ้าเราก็แก้ผ้าไม่อายกันแล้วเพราะความกังวลที่มีทั้งหมด ไปอยู่ในการสอบสวนในบัญชีความมีความชั่วที่น้องที่ว่ามืดบอดไหมในตอนนั้นยิ่งกว่าตาบอดซะอีกมองทางไม่ออกเลยไม่มีพวกไม่มีทรัพย์ไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรเลยก็อ่านที่บอกว่าโอ้ฟาฮูบะพินอาคิรติอะมาอาคิรติอามานะตาบอดเหมือนกันนะโว้อดดอดลูสบีลาทางที่จะพบทางออกทางแก้ปัญหานในวะเกียมะไม่มีเลย ในดุจยาเนี่ยพี่น้องจะดีจะร้ายยังพอมีพวกยังพอมีเงินยังพอมีเส้นสายยังพอมีอะไรบ้างที่มันจะหนักเป็นเบาเนี่ยช่วยผ่อได้ในวังเกียรมะไม่มีเลยพี่น้องครับอะมาหลงทางตาบอดยิ่งกว่าต่อมาครับในมาดูมาดูในอายะที่เจ็สบสามอัลลอฮฺตรัสด้วยว่าวินกาดูลายสตินูนะกะนะพวกเขาเนี่ยเกือบจะทำให้เจ้านั้น หลงพาดไปอันดิลลดีเอาไฮนาอิไลกาจากสิ่งที่เรานั้นให้ไวทีให้กับท่านแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยสงไวทีมาส่งอัลกออานมาแล้วพวกนี่คือสถานการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนาบีนะท่านนาบีนบีนี่ได้ไวทีได้กออานมาแล้วพวกนั้นก็มาเลียบสีนูนะกามาค่ว่าเชิญชวนนบีมา ประกาศหาความร่วมมือกับท่านอาดีในซ้อกุญยาไอวันกาซีรูนเราจะเห็นเลยครับว่า ม, มูมัดมาแลกกนะันไม่น่าคุณอยากให้คนศรัทธาในอลัลลอฮ์ใช่ไหมผมมีทางออกทางออกก็คือว่าอาลัลลอฮ์ของคุณคือพระเจ้าคุณเราจะกราบไหว้เองไม่ต้องกลูว่าคุณจะไม่กราบว่าเราจะกราบไหว้เองแต่ว่าเงื่อนไขพระเจ้าเราเนี่ยเนื่องจากเราไปกราบไหว้อลัลลอฮ์แล้วลูกปั้นก็ไม่มีคนกราบว่า้ฉะนั้นคุณก็เชิญพวก มุสลิมมสิม า, มากราบไหว้กันได้ประโยชน์สองทางคนระับคุณก็ได้ไปแพรศาสนาคุณใช่ไหมเราก็สามารถเป็นพันธมิตรกันมีความพยายามมากมายในการเจรจากับท่านนาบีเมื่อแล้วที่เราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยอย่ามองว่ามันจะสองฝั่งนานและก็ถืออาวุธต่อสู้ยีหาดกันมันมีภาพของการเจรจาพวกมังกาส่งท่านอบูตอลิบมาเป็นลุงนบี เป็นคนที่อยู่ตรงกลางครับเพราะไม่ใช่มุสลิมและเป็นคนที่นบีผูกพันที่สุดคนนี้เหมาะที่สุดในการเจรจาพระบุตรตอนรกระมหามท่านนาบีครับบอกว่าหลานเอาไงเนี่ยเขาส่งลุงมาเจรจ า, าถ้าหลานหยุดเผยแพร่อิสลามจะเอาอะไรบอกมาเจรจ า, าตกลงกันได้อัลลอฮ์จึงบอกว่าคนเหล่านี้เกือบจะทําให้ท่านนั้นทําไมเอ่ยครับออกจากสิ่งที่เราให้หนึกออกไหม สิ่งที่เราประทานให้กับท่านคือคัมภีอัลกุรอานและตัลลิยาอะเลนาไลระหูนะครับแล้วก็บวกเขาจะปุ่สิ่งอื่นขึ้นมาแทนเรามาแทนคามีกุรานมาแทนอัลลอฮ์ก็คือภาคีเจ้าต่อมอทั้งหลายไวดาร์ตต์ตัดคอดูกะคอรีลานะครับถ้าทำตามที่พวกเขาเสนอนาท่านกับพวกเขาจะเป็นคอลีลาคอลีลาแปลว่าเพื่อนสนิท พันธมิตรที่แน่นแฟนถ้าตามสุรอันกา่นนาเิโรนเนี่ยนบีบอกว่าโอเคหนึ่งปีแลกกันตั้งแต่วันที่1ึงมกราถึงสิบสองกุมภาไม่ใช่สิบสองธันวาเรากลาวไหวลูกปั้นฉันจะเกณ์มาหมดเลยครดีใครศรัทธาฉัน เ, เนี่ยมาไหวพระเจ้าของคุณแต่คุณต้องไปละมาดนะโอเคดิวกันตบมือเซ็นสัญญากันจบเลยครับ นะแต่สิ่งที่นบีได้จะทำนบีนบีทําแบบนั้นนะซึ่งนบีไม่ได้ทํานะก็จะเป็นคอลีลานาบีกับพวกมุสลิมก็จะเป็นคอลีลาเราเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่กันสบายเลยมั่งกล้าไม่ต้องอพยพแล้วครับอยู่กันกลมเกลืนได้ผลประโยชน์มุสลิมก็สบายบนนั้นก็สบายเป็นเพื่อนกันอะไรเป็นหมดแต่ว่าสิ่งที่เสียหายก็คือหลักศรัทธาเสียหายถ้าอิสลามยอมรับเจ้าองคอื่นนะ ก็คือคลังภาพจากความเป็นอิสลามเช่นเดียวกับมุสลิมถ้ายอมรับเจ้าอกอื่นวันนี้ยอมกราบไหว้กับสิ่งอื่นยกขึ้นมาเป็นเจ้าไม่เท่ากับลอรอกเป็นเจ้าน้อยอลอร์เป็นเจ้าใหญ่แอนดี้เป็นเจ้าน้อยเนี่ยแค่นั้นคลังภาพจากความเป็นมุสลิมคนเหล่า น, นั้นพร้อมที่จะให้ท่านเป็นคอลีลาเป็นคนสนิทกับพวกท่านแล้วถ้าอยู่ในแนวทางเขาแต่ท่านตะีไม่ชอบรับ ว่าเราลาอันสับบัตนากะหากว่าเราเอา๋อเราบอกนะนะครับไม่ทําให้ท่านเน่ยหนักแน่นแล้วแล้วก็กิตตานะครับตักก้านุอิไลหิมใชอันกอรีลาถ้าเราไม่ทําให้ท่านให้น บ, บิวมัดหนักแน่นแล้วทําไมเอ่ยครับท่านก็จะเอ็นไปหาพวกเขาใชอันกอรีลาเล็กน้อยในในภาษาอังกฤษตัวคำศัพท์ตกไปนะใชอันนะไม่ใช่ใชและก็เฉย เติมไปด้วยนะครับอันนี้ก็มาเด็ดติเองกับกลบเข้ามาเหมือนกันนะช้อันกอนรีลาเติมคำว่าไปด้วยเอาละบอกว่าถ้าฉันไม่ทําถ้าเราเนี่ยไม่ทําให้ใจของท่านหนักแน่นแล้วเนี่ยทําไมเอ่ยท่านจะเองไมหมฮะพวกเขาเพราะอะไรครับข้อเสนอที่พวกมุชริกนําเสนอเนี่ยพี่น้องมีความเป็นไปนได้แล้ะก็สมประโยชน์ทุกฝ่ายทำไมเราต้องเทาะกันทะเลาะกันโัยไม่ทำมัน ปัญหาคืออะไรวิเคราะห์ละเอียดครับปัญหาคือเรื่องเจ้าคุณมีเจ้าองหมาชื่อว่าอัลละฮ์เรามีเจ้าองค์เดิมกันแล้วเจ้าหมายเจ้าเดิมไปเดียกันไม่ได้ทํายังไงสลับกันนีอหรอไหมครับหรือว่าเปลี่ยนข้อความบางอย่างในกัรอ่านได้ไหมเพื่อให้ลาดอุจามานาจเจ้าพระเราเนี่ยมีพื้นที่ในกัมภรอ่าน ด, ด้วยคุณก็เติมไปสิก็เปลี่ยนไปสิเห็นไหสมประโยชน์ทุกอย่าง อัลลอฮฺบอกว่าถ้าไม่ทําให้ท่านอบีหนักแน่นแล้วเนี่ยท่านจะเองไปตามเขานี่ท่านนาบับดนะครับอ่านอยายะนี้เนี่ยนะครับผมนึกถึงสิ่งที่ท่านอบดยูซุฟอะลัยฮุสสลามเจอครับนบียูซุฟเวลาถูกนางสุลัยคอรล่อลวงเนี่ยนบียูซุฟบอกว่าไงครับบัวามาอุบารีอุนับซีฉันเนี่ยที่รอดมาได้เนี่ยนะไม่ได้ทําให้ใจของฉันดบริสุทธิ์กับตัวฉันเองนะ ว่าอินนั่นนัะเพราะว่าทําไมเอ่ยครับจิตใจของมนุษย์นั้นลามาเข้าตุนวิสุโดยธรรมชาติโดยสัญญางของมนุษย์เอ็งไปสู่ความชั่วความชั่วนะครับอินมาอิลลามารอบที่มารอบปีเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺเมตากับฉันฉันรอดมาได้เพราะความเมตตาของอัลลอฮฺพอกลับมาดูอายะนี้สิ่งที่เกิดนบินมุฮัมมัดอัลลอฮฺบอกว่าว่าเราลอันซาบัดนาคะ ถ้าเราไม่ทําให้หนักแน่นและให้ท่านหนักแน่นแล้วทําไมเอ่ยกิตต์ตะลอกตะลักก้านุอิละฮิบแชอันกอลีลาท่านก็จะเอ็นไปหาพวกเขานี่คือนบี น, นานบีมุฮัมมัดนบียูซุฟที่อัยะกรอ่านสื่อนัยยะว่าความหนักแน่นในหัวใจเนี่ยมันมาจากพระผู้เป็นเจ้านาบียูซุฟบอกถ้าอิละมารอยที่มารับมี้าวราับไปเมตตาฉันฉันก็เสร็ ไม่ได้แล ว, ว่านาบียูซุบช่วนะนบียูซุบรอดคนตรงนั้นมาแต่ว่านาบียูซุบไม่เคยประกาศตัวว่าฉันนี่แหละอีมานแน่นนะสุลคยทอจึงล่อลูฉันไม่ได้ไม่ใช่อิลามารอดที่มารอบบีรอดมาได้เพราะอัลลอฮ์เมตนานั่นคือนบีคราวนี้ผมกับพี่น้องเนี่ยอินนันนับซาลาอัลมาขัตุนวิซูจิตใจเอ็นไปสู่ความชั่วครับข้อเสนอที่มันดูแล้วมันหอมหวานในดุนยาเอ็นไปแล้วทำยังไงล่ะ เราถึงต้องทําการหนึ่งซักข้อจิตใจนับสุนอมาระให้เป็นนับสุนลาวามะที่เริ่มจิตใจที่ตะกอดเอไปสู่ความชั่วอมาระเป็นลาวามะเออที่จะตั้งคําถามไอความชั่วมันหอมหวานจะจะไปดีไหมนะครับถ้าสอบผ่านเป็นนับสุนมุตมะอินนะจิตใจที่สงบแล้วก็มั่นคงถ้าพี่น้องทาการซักข้อจิตใจเดือนทีแล้วเนี่ยนะครับ ล l l a h ก็จะบอว่าอย่าอายุหันนับสุดมุดม่อินนะโอ้จิตใจที่บริสุทธิ์มุดไม่อินนะเจริญอีอีลเหรอครับวิจารณ์ทางมารดียะพระดุลุรีที่บาดีพระดุคุรียันนตีจิตใจที่สงบกลับมาหาฉันนี่นะครับมาสู่ความเป็นเจ้าความเป็นบาวของฉันแล้วก็เข้าสวรรค์ของฉันนะหนึ่งคือทบทวนจิตใจนะครับเออซักพอกใจตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนก็บอกต้องตาซาวุปนะแล้วแต่จะแปลว่าแปลว่าซักพอกจิตใจหรือแปลว่า แบบไหนนะครับแต่ว่าเราต้องตรวจสอบตัว เ, เองนะประเด็นที่สองครับการเป็นสังคมการเป็นเยมาช่วยได้ครับเพราะเรามีการอาศียห้คกันจิตใจมันเองไม่ทางความทั่วอามาราตุวิสูแล้วแต่เมื่อฟังคุณตาบ้าทุกวันศุกร์เนี่ยดึงกลับมาหน่อยวันอีจะถึงดึงกลับมาอีกพอะจะทำชั่วมีอาศียห้าจากคนดีดีรอบข้างดึงเข้ามาฉะนั้น ประคองให้อัล ม, มาเขาเนี่ยนะครับมันเป็นจิตประเภทอินพัฒนาขึ้นมาเป็นลาวามะแล้วก็เป็นมุตมะอินนะในช่วงท้ายของเวลาในวันนี้นะครับน่าะ ป, ประมาณประมาณสิบนาทีผมทวนเนืน้อหาเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนนะครับอายาที่เจ็ดสิบเนี่ยสําคัญมากว่าแล้วก็ขอวามนาบดีอาดัมมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกหลานใครเลยครับเป็นลูกหลานอาดัมเวลาเราพูดเนี่ยนะครับแกกระฉันเนี่ย เคนเดียวกันกี่คนเดียวกันบรรพบุรบุษคนเดียวกันเนี่ยแกกับฉันก็เท่ากันตอนนี้แกจะดีกว่าฉันอาจจะจนกว่าแต่ว่าเชื้อสายแล้วเท่ากันเป็นชั้นหลานกันชั้นเลนเหมือนกันนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอ ย, ย้อนกลับไปทําไมเอ่ยถึงนบีอาดัมอะไรสลับมนุษย์มีเกียรติครับเกียร์ตรงนี้ไม่ใช่ใครกู้ขึ้นมาแต่ว่าแล้วก็จะกดัะกดตอมนาบนีอาดัมผู้สร้าง อเลอ์บอกว่าเราให้เกียรติกับบารีอาดัมไม่แปลกที่เราให้เกียรติกับมนุษย์คนอื่นด้วยนะครับเอาการให้เกียรติเป็นมารยาทธรรมของปกติครับไม่ได้ผิดหลักศาสนาไม่ได้ผิดอากีตาไม่ต้องอะไรเลยครับก็คำนาบารีอาดัมนะไม่เกี่ยวกับวาลาวัตบะเาไม่เกี่ยวทั้งสิน้นเป็นเกียรติทั่วไปที่เราให้กับบารีอาดัมกลับมาดูนะครับเราได้ความประมาณจากอเลอ์เยอะไปหมด เฉพาะอายะห์ที่เจ็ดสิบเนี่ยห้าประการไม่ได้มีแค่ห้านะในอายะอื่นก็มีเต็มไปหมดที่มนุษย์ได้พี่น้องดูเองว่ากันว่าเยอะขนาดไหนเราเป็นมนุษย์เนี่ยต้นทุนที่เราได้จากอัลลอฮ์เยอะขนาดไหนพี่น้องครับหนึ่งตักรีนจะอัลลอฮ์ให้เกียรติคนให้เกียรติผมผมก็ยิ้มแล้วอันนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติขนาดไหนละ่ะคนให้เกียรติเราเราก็ดีใจอันนี้ว่าผู้เป็นเจ้าให้เกียรติพี่น้องที่ดูสองนะครับสัญจรไปได้บนหน้าแผ่นดิน จะใกล้จะไกลไปกันหมดครับทุกวันนี้ดูเฟซบุ๊กเนี่ยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปไปหมดเลยพอมาดูพื้นที่ะระยะทางไปได้ยังไงไกลเหลือเกินนะครับไกลบ้านผมเป็นบ้านผมไปไม่ถึงนะแต่ว่ามนุษย์ไปได้บนหน้าบนดินไปเลยไกลไปได้ทั่วบางคนไปแล้วไม่กลับแต่งงานมีลูกตัง้งติดฐานทํางานอยู่ยาไปเลยนี่คือมนุษย์ทําได้วันบารี นะครับไม่เดี๋ยไปประกาศที่สามนานหนึ่งคือตักครีมให้อลลาให้เกล็ดสองสัญจรได้บนหน้าแผ่นดินสามข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรได้สัตว์อื่นทําไม่ได้แมวเนี่ยนะครับเคเห็นแมวตกน้ํำไหมว่ายข้ามฝั่งนี่เหนื่อยนะครับคดีถ้าไปดูอ่าวไทยดูทะเลอันดามันเดียร์มองไม่เห็นฝั่งออกเรือไปคืนนึงแล้วยังมองไม่เห็นฝั่งอีกมันจะข้ามไปยังไงถ้ามนุษย์ไม่เอาใส่เรือไปข้ามไปความสามารถของมนุษย์ครับนะคราวนี้ ย้อนนิดนึ่งเวลาให้ความตรงนี้แล้วให้คอสามารถตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์เยอะทำไมเอ่ยเราสามารถเข้าถึงสิ่งที่อยู่ไกลๆได้สมัยก่อนเนี่ยอยากได้เครื่องเทศพวยุโหรมาเอาที่หมู่เกาะโมลู ก, กะที่อินโดนเหนือไหมอยากได้ชาไม่ต้องปลูกหลังบ้านชาซีลอนซีลอนก็คือศรีลังกาอยู่ศรีลังกาน้ําตาลเอาที่ไหนล่ะใครปลูกไหม ต, ต้นน้ำตาลบราซิล นี่บอกไหมคือถ้าเราเป็นสัตว์ประเภทอื่นกินได้แต่ของที่อยู่ใกล้ๆเพราะไม่มีความสามารถในการข้ามทะเลข้ามบกแต่มนุษย์เนี่ยนะครับกาแฟหมูกที่ไหนก็ไม่รู้ดูหลังซองนำเข้าจากอสอสเตรเลียออสเตรเลีย ม, มา ก, กี่กิโลล่ะเห็นไหมพอความสามารถในการขนถ่ายตัวนี้มาเนี่ยทางผู้เสพติโลจิสติกส์นะครับมันทําให้เราเข้าถึงอะไรเต็มไปหมดเลยผมหยิบมือถือขึ้นมาสั่งผ้า อ, อ้อมให้ลูกส่งจากจีนนู่น ส่งมาได้ยังไงเห็นไหมความสามารถของมนุษย์มันทําให้ถึงในสิ่งที่สัตว์อื่นทําไม่ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตครับเสื้อผ้ามาจากไหนพอไปดูเ อ, อ้ามาจากเม็กซิโกเม็กซิโกอยู่กี่โลมันมาได้ยังไงนะนี่คือสิ่งที่อัล่อยกับมน้ษย์มนุษย์ทำไม่ได้นะครับรู้สกีจากตอยีบ้านของดีๆเนี่ยพี่น้องครับกินไปเลยครับถ้าตอยีบ้านนะแล้วก็ไม่ห่ารอมโดยพื้นฐานของกินกินได้ โดยพื้นฐานกินได้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นบางอย่างเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยเวลามุมอมองมาที่อาหารเนี่ยอย่าไปมองจับผิดนะครับกินได้เปล่ากินได้เปล่าพื้นฐานกินได้ก่อนแล้วก็มาดูว่ามันเข้าข้อยกเว้นที่เป็นส่วนน้อยไหมต้องกลับคิดนะปัจจุบันเนี่ยตั้งกินไม่ได้ไว้ก่อนต้องมองว่ากินได้ไว้ก่อนเพราะเป็นตออ่อยีบ้าเราบอกกินได้แต่ว่าเอหมูไหม เฉือดไหมสัตว์มีพิษไหมเป็นส่วนน้อยที่กินไม่ได้ส่วนมากกินได้นี่ความเมตตานะครับแล้วก็ตักดีนให้ความประเสสน่าดังสาๆอายะที่เจ็ดสิบสำคัญมากนะครับอายะที่เจ็ดบเอ็ดเ็ดสิบสองเนี่ยนะครับอายะต่อมาพูดถึงสภาพในวันกิยามะนะเราทราบสภาพข้อมูลเพิ่มเติมวันกิยามะเวลาคนก็ถูกเรียกเนี่ยกุลูนาสินเนี่ยนะครับมนุษย์แต่ละกลุมแต่ละกลุมเนี่ย ถูกเรียกด้วยกับชื่อของผู้นําผู้นําไม่ใช่ในายกนะนะครับคนบอกอ๋อยานิัฐมนลตีคนนี้ไม่ใช่นะครับผู้นํำมาถึงมัดานาบียาอุมตมตอโมฮัมมัดวันนั้นองค์เยามัติชาวรอบผมกับพี่น้องเวลาถูกเรียกด้วยกับชื่อนี้นะพุ่งไปเดียกันพุ่งไปแล้วเนี่ยมีรัศมีสั ญ, ญลักษณ์ที่ว่าฉันเคยตามคุณาตันาานาบีเนี่ยเข้ากลุ่มได้ไม่ใช่ไปแล้ว เฮ้ยไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรไม่เคยตามสุนทรธนานบีเลยไม่ใช่นะว่าเยามาเนี่ยถูกเรียกเกี่ยวกับชื่อของผูน้นําอุมมาหลังจากนั้นคําทีที่จะได้มาอยากขอดูอาต่อรอให้ได้คาทีมือขวานะครับให้ได้มือขวาพอรายละเอียดที่น้องไม่ต้องห่วงพอได้มือขวาปุ๊บทาไมเอ่ยครับ ลายุสธะมูลนะฟัดีลาไอข้างในไม่ต้องห่วงอลัลลอฮฺบันทึกลืมไหมเนี่ยฉันแอบตะฮัดยุติไม่มีใครรู้เมียยังไม่รู้เลยแอบขึ้นมาตีสองเมียยังไม่รู้ก็คือจะรู้ได้ไงไม่ต้องห่วงครับในนั้นถูกมันบันทึกไว้ไม่ถูกอาธรรมนะนี่คือสภาพมองกยมานอกจากนี้ครับคนที่ทําไมเอ่ยสภาพที่อยู่การตรงข้ามเลยนะครับที่เคยหลงในดุนยาแล้วยังหาทางนําหาฮิญาญาย่ไม่ไม่ออกเนี่ยนะครับยังไม่เจอตายไปแล้วในวันงกยมะหลงกว่าเดิมครับ ดุจยายังพอมีหนทางหาทางออกได้หนักเป็นเบาได้ยังพอช่วยกันได้วัเกียามาตัวใครตัวมันฉะนั้นสภาพวันเกียามาถ้าดุจยาหลงครับอาร์ติโล่หลงยิ่งกว่าต่อมาครับอายาที่เจ็ดบสามสิบสี่เนื้อหามีสามส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือเจ็ดสิบนะครับเกี่ยวกับความประเสริฐที่มนุษย์ได้เนื้อมาตที่มนุษย์ได้ห้าประการเจ็ดสิบเอ็ดเจ็สบสองเกี่ยวข้องกับสภาพในวันเกียามาเวลาอ่านอ่านเป็ประเด็นนะครับ 73-74 คือประเด็นที่สมครับในวันนี้ความพยายามของพวกมุชริกในการที่จะดึงท่านเนาบีนะพยายามเชรญาจาัดึงอัลลอฮ์บอกว่าวันเราลาอันทับบัชนากะถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยให้นบีหนักแน่นนะเพื่อเผยเอน็นไม่ได้เป็นตงมุตต์ตัดนะครับแต่เพื่อเผยเอน็นตัวนี้เรามาด้ลดเกียท่านนบีแต่ต้องการนําเสนอว่าไม่ใช่แค่ท่านนบีมูหมัดอย่างเดียวนะท่านนบียูซุฟเคยพูดออกมาว่าทําไมเอ่ย มาอุบะริอุนับซีผมเนี่ยจำยายะญาณที้มาเลยนะครับถึวันนี้ที่ไม่ติดคุกไ ม, ม่อะไรเนี่ยไม่ใช่ดีนะกลัวมาอุบะอุบะริอุนับซีไม่ใช่ฉันทําให้ตัวจิตใจของฉันเนี่ยดีบริสุทธิ์อินนัปชาละมาราตุนวิสุทเพราะจิตใจเนี่ยมันโดยธรรมชาติมันเองไปสู่ความชั่วแล้วอินละมารอที่มาลอบดีอาร้อเมตตารอกฉันถึงอยู่ได้แบบนี้ไม่หลงไปฉะนั้น นบีพูดแบบนี้นบียุซุฟนบีบมุฮัมมัดเป็นแบบนี้แล้วผมกับพี่น้องนะครับระวังจิตใจตัวเองพี่น้องมาที่เอาสะระแวงคนอื่นกลัวคนอื่นอะไรคนอื่นเลืมของที่อยู่ในตัวเองก็คือจิตใจซักฟอดจิตใจตัวเองครับให้มันคุ้นเคยกับความดีและก่อนหนะ้าสีห้าช่วยเหลือกันและกันนะครับนะช่วยกันไม่ได้ว่าจะปิดกันเด้อช่วยดึงกันให้มาสู่ทางที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับ ผมกับพี่น้องวันกียรมะพวกเดียวกันพวกไหนครับยาอุมมะตะ์มุฮัมมัดพอได้ชื่ออัลลอฮ์ประกาศแบบเนี้นะไปเลยครับพวกเดียวกันเป็นขุมมานาดีมูฮัมหมัดเหมือนกันวบิษลทอิตตฟ ว, วันฮิดายะอัสสลามุอะไนกุ๊มว่าครับมาตุ้ล้อให้กัวบฮะฮากาตุ